วันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใจธรรมได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาหาความจริงของชีวิตว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตของพวกเรา mm. สัจธรรมความจริง mm. ที่ทําให้เรานั้นเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์เกิดความเจริญ หรือเกิดความเสื่อมนั้นคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทํากฎแห่งกรรมนี้เป็นผู้ที่จะกำหนดให้ชีวิตของเรานี้สุขเจริญหรือทุกข์หรือเสื่อมไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะสามารถที่จะมาทำให้ชีวิตของพวกเรานี้สุขหรือเจริญทุกข์หรือเสื่อมได้นอกจากการกระทำของพวกเราเอง<ม>การกระทำนี้จะทำให้เราได้มีความสุขมีความเจริญหรือได้ความทุกข์หรือได้ความเสื่อม แต่เราต้องทําความรู้จักก่อนว่าใครเป็นผู้ใครเป็นผู้การทา<ม>เรามีร่างกายและเรามีจิตใจ<ม>ผู้ที่ทํากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่<ม>คือใจไม่ใช่ร่างกาย<ม>ร่างกายเป็นเพียง เครื่องมือในการกระทาของใจเนื่องจากว่าใจนี้ไม่มีร่างกายใจก็เลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือดังนั้นเวลามีการกระทาถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าร่างกายเป็นผู้กระทาก็ตามแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทา ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มผู้ริเริ่มนี้คือใจผู้มีความสามารถที่จะที่จะคิดสั่งการอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายได้ผู้ที่กระทำในตามกฎแห่งกรรมนี้คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตา เลยต้องอาศัยให้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระทาบุญหรือเป็นการกระทาบาปใจนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลากระทาบุญหรือกระทาบาปแล้วผู้ที่จะรับผลบุญผลบาป จึงไม่ใช่เป็นร่างกายแต่เป็นใจผู้ที่เป็นผู้กระทำเปีียบเหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนตน์รถยนต์กับคนขับนี่เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันคนขับนี้เป็นคนสั่งให้รถยนต์วิ่งไป ตามสถานที่ต่างๆเวลาที่นังเวลาที่รถยนต์นี้ไปชนคนตายเ<ม>จ้าหน้าที่ตำรวจนี้จะไม่จับรถยนต์ไปลงโทษ<ม>แต่จะจับคนขับไปลงโทษแทน<ม>เพราะว่ารถยนต์นี้เป็นเพียงเครื่องมือของคนขับ<ม>ผู้ที่ขับนี่แหละเป็นผู้ที่ทำ ทำผิดขับไปชนคนตายเขาจึงลงโทษคนขับไม่ได้ลงโทษรถยนต์ฉันใดกดแห่งกรรมก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์สนใจผู้คิดผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนีนก็เป็น <c oughs> เป็นผู้สั่งการผู้กระทำ เป็นผู้กระทำดังนั้นเวลาที่มีการกระทำบาปหรือมีการกระทำบุญนี้ผู้ที่จะรับผลบาปหรือผลบุญนี้จึงไม่ได้เป็นร่างกายถึงแม้ว่าบางครั้งบางโอกาสอาจจะดูเหมือนว่าร่างกายเป็นผู้ได้รับผลบุญได้รับผลบาปก็ตามแต่บางครั้งบางโอกาสก็ดูเหมือนว่าร่างกายนี้ไม่ได้รับผลบุญหรือผลบาป จากการกระทำบุญหรือการกระทำบาปเลยดัยงนั้นเราจึงไม่ต้องไปมองที่ร่างกายเป็นผู้รับผลบุญหรือผลบาปเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลบาปหรือผลบุญผู้ที่รับผลบุญหรือผลบาปนี้คือใจแต่ผลบุญหรือผลบาปที่ใจรับนี้เป็นนามธรรมาเป็นความรู้สึก เช่นความรู้สึกสุขรู้รูรู้สึกทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันในในร่างกายของคนอนื่นเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาทำบาปนี่นเราจะไม่เห็นเาว่าเขาทุกข์กันเรากลับจะไปเห็นว่าเขาได้ดิบได้ดีเขาได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนได้รางวัลอะไรต่างๆอันนี้เป็นเพราะว่า ผู้ที่กระทำนี้เรามองไม่เห็นคือใจเราเห็นแต่ร่างกายซึ่งทางร่างกายนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเวลาที่เขาทำบาปเขาก็เลยอาจจะไม่ต้องรับผลบาปที่เขากระทำนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจถ้าเราจะเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่ว่าทําบุญแล้วได้ความสุขได้ความเจริญได้ไปสวรรค์แล้ทาบาปแล้วจะได้ความทุกข์จะได้ความเสื่อมจะได้ไปนรกได้ไปอบายเราต้องดูที่ผู้กระทาและผู้ที่รับรับผลของการกระทาคือใจใจนี้เป็นกายทิพย์ ไม่ใช่กายอยา่างเือนร่างกาย<ม>เราจะมองไม่เห็นนรกหรือมองเห็นสวรรค์ได้ถ้าเราไม่ได้มีเครื่องม้เครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นกายทิพย์ต่างๆได้<ม>การที่จะสามารถมองเห็นร่างกายมองเห็นใจเห็นกายทิพย์ได้นี้ เห็นผลของการรับบุญและรับบาปนี้จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตาสาวกท่านได้มีกันก็คือการภาวนา<ม>การปฏิบัติจิตภาวนา<ม>คือการทำใจให้สงบ แล้วก็ทำใจให้ฉลาดถึงจะสามารถที่จะมองเห็นผู้กระทำบุญหรือกระทำบาปได้และมองเห็นผลของการกระทำบุญและของการกระทำบาปได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปธรรม เหมือนร่างกายของพวกเราพวกเรานี้มีร่างกายมีตาหูจมูกนิ้วกายสามารถสามารถสัมผัสรับรู้สิ่งนี้เป็นรูปธรรมได้แต่ตาของเรานี้ไม่สามารถตาของร่างกายนี้ไม่สามารถสัมผัสรับรู้นา ม, มาทำได้ผู้ที่จะสัมผัสรับรู้นา ม, มาทำได้ก็คือใจ แต่ใจต้องมีเครื่องมือถึงจะสามารถที่จะมองเห็นงานมาทำต่างๆเช่นเวลาทำบุญแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาทำบาปแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามแล้วจะเห็นว่านอกจากความสุขใจหรือความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบุญทำบาปแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไป ใจนี้แหละที่จะเป็นผู้ที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกหรือไปอบายนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราอยากจะรู้เราอยากจะเห็นเราต้องมีเครื่องมือเราต้องมีการภาวนามีการปฏิบัติจิตตภาวนาเราถึงจะรู้จะเห็นได้ถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจน เพาะเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องของใจของเรื่องของกายทิพย์ <M> ไม่ใช่เรื่องของร่างกายที่เป็นกายหยากร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจที่เป็นกายทิพย์ที่เป็นผู้กระทําบุญหรือเป็นผู้กระทําบาสนี <ended> ่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้น <sulfur ic> เพื่อเราจะได้ไม่สับสน <m> เราจะได้ไม่ งงหรือสงสัยว่าทำไมคนทาดีมักจะไม่ได้ดิบได้ดีคนทําชั่วทำบาปกลับได้ดิบได้ดีมีถมไปนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนที่เขาเขารับผลบุญผลบาปนี้เรามองไม่เห็นกันเพราะเป็นนามธรรมาเราเห็นรูปประธรรมก็คือร่างกายของเขา ร่างกายของเขานี่กลับได้ดิบได้ดี<ม>เขาก็เขาทําการทุจริตเ<ม>พราะทุกมิชอบ<ม>ช่อราดบังหลวง<ม>โกงบ้านโกงเมือง<ม>แต่ร่างกายของเขากลับอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายเพราะว่าการที่จะจับร่างกายไปลงโทษเท่านั้นมันมีกฎมีระเบียบของทางโลก<ม>ซึ่งถ้าเขารู้ทัน เขาฉลาดเขาก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงกฎระเบียบของทางทางโลกได้เช mm hmm. ่นถ้าเขารู้ว่าเขาจะถูกจับ mm hmm. เขาก็หลบหนีไปหาที่อยู่ที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามไปจับตัวเขามาลงโทษได้เ mm hmm. ราจึงทําให้เรามองเห็นว่าคนที่ทําผิด mm hmm. ทําบาป mm hmm. ทําผิดกฎหมาย ทำไมกลับไม่ได้ไปปิดคุกติดตารางกัน<ม>เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของของกฎของทางโลกกฎทางโลกนี้เขาก็มีช่องโหว่มีช่องอะไรต่างๆที่สามารถทำให้คนที่ทำผิดนี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงและหลบหนีการถูกจับไปลงโทษได้<ม>แต่สิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกฎแห่งกรรม สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเขานี่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองปดแห่งกรรมถึงแม้ร่างกายของเขาจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายโดยที่ไม่จับไปถูกลงโทษแต่ใจของเขานี่อยู่ด้วยความไม่สบายใจใจของเขานี้จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ จะ ว, วิตกกังวลมีความหวาดกลัวจะไปไหนก็ต้องคอยระมัดระวังว่าจะต้องจะถูกจับไปลงโทษเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะถูกกาจัดสิทธิ์ต่างๆอยากจะไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปก็อาจจะต้องถูกจับไปติดคุกติดตาราง ต้องละเหตเล่อนอยู่ต่างแด น, นนี่คือเรื่องผลทางร่างกายไม่ใช่เป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปที่แท้จริงนนผู้ที่รับผลบุญผลบาปที่แท้จริงนี่คือใจที่เป็นนามนธรรมที่เป็นกายทิ่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาหยาบของร่างกายเราจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามี เครื่องมือคือการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาทาใจให้สงบวิปัสนาทำใจให้ฉลาดถ้าเรามีการภาวนาแล้วเราก็จะเห็นผู้กระทาบาปผู้กระทำบุญแล้วเราจะเห็นผู้ผู้ที่จะรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปคือนรกหรือสวรรค์ว่าเป็นอย่างไรเป็นใคร แต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระทำบาปนี้มีผลจริงโดยจะส่งความทุกข์ให้ผู้กระทำตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปอยู่ในอบายหรือไปอยู่ในนรกนผู้ที่กระทำบุญเวลาตายไปก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง จะมีความสุขในระดับต่างๆตามกำลังของบุญที่ได้กระทำไว้ถ้าเรายัางไม่สามารถมองเห็นความจริงอันนี้ได้ด้วยตัวของเราเอง<ม>ก็ขอให้เราถือว่าพวกเราโชคดีที่ได้มาเจอคนที่ได้รู้ได้เห็นแล้วคนที่ได้รู้ได้เห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็คือพระพุทธเจ้า และพระ อ, อริยะสงสาวุของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ท่านมีเครื่องมือที่สามารถที่จะเปิดตาในของท่านเปิดตาทิ่ให้มองให้เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ต่างๆได้สวรรค์ น, นี้ก็เป็นโลกทิพย์นรกอบายนี้ก็เป็นโลกทิพย์ถ้าไม่มีตาทิพย์หรือถ้าไม่ได้เปิดตาทิพย์นี้จะไม่สามารถมองเห็นโลกทิพย์ ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ก็ดีจะเป็นอบายก็ดีจะเป็นนิพพานก็ดีจะไม่สามารถที่จะมองเห็นโลกทิพย์เหล่านี้ได้และจะไม่สามารถมองเห็นทางที่พาไปสู่โลกทิพย์ต่างๆเหล่านี้ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือถ้าเรายังไม่สามารถ ปฏิบัติจิตตะภาวนาจนทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมคือเปิดตาทิพย์ของเราขึ้นมาให้เห็นความเป็นจริงของกฎแห่งกรรมของภพภูมิของผู้ที่จะไปอยู่หลังจากที่ได้ทำบุญและทำบาปต่างๆกันไปแล้วเราก็ต้องมาเชื่อพระพุทธเจ้าหรือพระอริยรสงสาวคกก่อน พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกรดีนีท่านเป็นผู้ที่ได้มองเห็นแล้วมองเห็นโลกทิพย์แล้วมองเห็นผลที่เกิดจากการกระทำบุญหรือการกระทำบาปแล้ว<ม>ว่าจะไปอยู่ที่ตรงจุดไหนของโลกทิพย์ ม, มีความสุขหรือมีความทุกข์ต่างๆ<ม>ท่านมองเห็นแล้ว<ม>แล้วก็เราสามารถเชื่อ พระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสารกได้เพราะพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านไม่ได้มาสั่งมาสอนเพื่อเป็นเครื่องมือทำมาหากินท่านไม่ได้มาเก็บสตางค์เวลาที่ท่านมาแสดงธรรมสอนพวกเราให้รู้ให้เข้าใจถึงหลักของความเป็นจริงของกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไรท่าน สอนด้วยความกรุณาด้วยความเมตตาท่านรู้ว่าพวกเรานี้ยังมืดบอดอยู่ตาทิพย์ของเรายังถูกปิดอยู่ไม่สามารถมองเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมได้ไม่สามารถมองเห็นเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ได้ว่าเป็นอย่างไรว่ามีหรือไม่อย่างไรแต่สำหรับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายนี้ท่านได้เห็นแล้วท่านได้รู้แล้ว และท่านได้สามารถปฏิบัติทาใจของท่านให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดได้แล้วคือสวรรค์ชั้นนิพพานที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆที่มีแต่บรลลมมสุุความสุขที่สูงสุดความสุขสุดยอดนี้อยู่ที่สวรรค์ชั้นพระนิพพานนี้ท่านได้ไปถึงจุดนั้นแล้ว ท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาขออะไรจากพวกเราแล้ว<ม>เพราะสิ่งที่พวกเราจะให้กับท่านได้นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับ จ, จิตใจของท่านแต่อย่างใด<ม>ท่านจึงไม่ได้หวังอะไรเ ป, เป็นผลตอบแทนจากการที่ท่านนำเอาความรู้อันวิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา เราจึงสามารถเชื่อพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้อย่างสนิทใจว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้านี้ไม่ไม่ต้องการที่จะหลอกใครพระอริยสงสาวกก็ไม่ต้องการที่จะหลอกใครเพราะท่านไม่ต้องการอะไรจากการหลอกลวงคนที่เขาหลอกลวงกันในโลกนี้เขามีความหวังที่อยากจะได้อะไรจากเรา ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากเราเขาก็จะมาพูดโกหกหลอกลวงเรากันเพื่อให้เราเชื่อเชื่อใจเขาให้เราตายใจแล้วหลังจากที่เราตายใจแล้วเขาก็จะหลอกเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราไปแต่พระพุทธเจ้าพาระนิพพาสงสาวุงนี้ท่านไม่ต้องการสิ่งต่างๆที่คนที่ยังอยู่ในโลกนี้ต้องการกัน ท่าไม่มีความต้องการที่จะได้ราบยศทละเส ร, ริญไม่ต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆเพราะท่านได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขเหล่านี้ที่เรียกว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงลถแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็คือลถแห่งวิมุติลถแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ลดแห่ง แห่งพระนิพพานที่เป็นมรรมาสุขนิบานังปรมังสุป ข, ขังท่านได้สิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีใครในโลกนี้สามารถมอบให้กับท่านได้ที่มีคุณค่าเท่ากับสิ่งที่ท่านได้รับแนละ้วท mm ่า hmm. นจึงไม่มีความต้องการมีความปรารถนาะอะไรจากพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียว mm hmm. แต่ท่านมีความกรุณามีความสงสารเพราะท่านก็เคยตกอยู่ใน ความมืดบอดเนี่ยของพวกเราลงอยู่ในความมืดบอดที่ไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่รู้ว่าทำบุญแล้วไปสวรรค์ไม่รู้ว่าทำบาปแล้วไปนรกไม่รู้ว่าทำบุญแล้วได้ความสุขใจไม่รู้ว่าทำบาปแล้วได้ความทุกข์ใจก็จะติดอยู่ในความความความมืดบอดนีย ความมุดบออนี้ก็จะปฏิเสธไม่ให้เราเชื่อว่าทําบุญแล้วจะได้ความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญของผู้ที่ยังมุดบออนี้อยู่ที่การได้ความสุขความเจริญทางโลกกระทำก็คือทางลาบยศสารเสริญสุขนี่ซึ่งการทําบุญนี้จะทำไม่ได้ทําให้เราได้ลาบยศสารเสริญสุขกัน เพราะว่าการที่จะได้ราบยศสารเสื่อสุขนี้เราต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองไม่ใช่เอาเงินเอาทองมาแจกคนอื่นอันนี้จึงทำให้ผู้ที่คิดว่าความสุขของตอนนั้นอยู่ที่โลกธรรมอยู่ที่การมีราบยศสารเสริญ มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผพะพ้าชนิดต่างๆพวกที่ไม่เห็นเรื่องของการทำบุญที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขที่จะทำให้ใจไปสวรรค์ไปนิพพานก็จะไม่มีความสนใจที่อยากจะทำบุญกันก็มีแต่อยากจะทำงานทำการทำอะไรต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศสารเสริญ สุคนี้เท่านั้นและถึงแม้ว่าอาจจะต้องทำทำบาปก็ยินดีที่จะกระทำเพราะเห็นว่าถ้าทำบาปแล้วได้ได้ผลได้สำเร็จได้เงินทองมากๆกก็สามารถใช้เงินทองนี้มามาป้องกันการไปรับโทษได้ป้องกันการไปติดคุกติดตารางได้จึงไม่ค่อยกลัวบาปกันเพราะมองไม่เห็น เรื่องของบาปว่าใครเป็นผู้กระทำบาปและผลของการกระทำบาปนี้เป็นอย่างไรมองเห็นแต่ร่างกายและมองเห็นของผลที่ได้รับจากการหาลาบยศสลรเสริญสุขมาว่าเป็นสิ่งที่ทาให้ร่างกายอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือใจของตนเองว่าทาไมใจของตนถึงทุกข์ถึงหวาดกลัวถึงเครียด ถึงวิตกถึงวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ยายอันนี้จะไม่รู้จะไม่เข้าใจว่าทําไมใจของตนถึงเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่จะทําให้ใจทุกข์ใจหวาดกลัวใจกังวนกังวายกระสับกระสา ย, า ย, า ย, ายนี้เป็นผลมาจากการกระทําบาปของตนเองนั่นเองอแต่ก็ทนอยู่กับความทุกข์ใจไปเพราะอย่างน้อยเห็นว่าร่างกายมีความสุข ร่างกายได้มีบ้านใหญ่โตหรูหรามีเงินทองไว้ซื้อข้าวซื้อของของกินของใช้อย่างฟุ่มเฟือยอย่างอย่างหรูหราก็เลยคิดว่าความสุขทางร่างกายนี้จะมากบลึบทำลายความทุกข์ทางใจได้แต่มีมากน้อยเท่าไหร่ใช้เงินมากน้อยเท่าไหร่ไปก็จะไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ทางใจได้เลย บางคนถึงววละสุดท้ายบางทีก็ยอมมารับผิดดีกว่ายอมมารับโทษเพราะที่ใจจะได้สบายพอเวลาที่มายอมรับโทษแล้วยอมรับผิดแล้วถูกจับไปลงโทษแล้วความทุกข์ทรมานที่มีอยู่ในใจนี้ก็จะหายไป<ม>นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะยอมรับก็คือ เรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวกับจิตใจของเราไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายของเราและผลของการทำบุญหรือทำบาปนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการได้ราบยศสนะเสริญสุขได้หรือไม่ได้นี้ไม่เกี่ยวกับการทาบุญหรือทาบาปการทำบุญทำบาปนี้มันเกี่ยวกับจิตใจของเราเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของจิตใจของเรา เกี่ย ว, ว่าความเจริญความเสื่อมของจิตใจของเรา<ม>อันนี้คือสิ่งที่เราถ้าเรายังไม่มีตาทิพย์ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่สามารถมองเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นมิพานได้ด้วยตาของเราเองด้วยตาทิพย์ตาในของเรา<ม>เราก็ต้องเชื่อผู้ที่มีมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว<ม>ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสง์สาวุก ข, ของพระพุทธเจ้า แล้วถ้าเราอยากที่จะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสง์สารวกได้กันก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในนรกในสวรรค์ชั้นต่างๆเพื่อที่ไปอยู่ในพระนิพพานนี้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสง์สาวก เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสั่งคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย<ม>ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นี้ไม่มีเจตนาที่จะมาหลอกลวงเราไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองผลประโยชน์อะไรจากพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวอยากจะได้อย่างเดียวจากพวกเราก็คือ อยากให้พวกเราได้ไปพบกับความสุขความเจริญที่ตัวท่านเองได้ได้รับกันท่านเองอยากจะให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะให้พวกเราได้หลุดออกจากกฎแห่งกรรมไม่ต้องอมาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกต่อไปให้เราอยู่ในพานิพานกันพานิพานที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีการกระทาอะไรต่าง ที่จะทำให้จิตใจเสื่อมลงไปสู่อบายไดอีกต่อไปอ น, นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะยินดีและเชื่อเพราะว่าโอกาสที่พวกเราจะได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของพระอริยสงสาวุกรดีนี้ไม่ได้เป็นของที่จะเกิดขึ้นได้ทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กัน บางพบบางชาติเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็อาจจะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันถ้าเรามาเกิดในยุคนั้นก็ถือว่าเราเกิดในยุคมืดยุคที่ไม่มองเห็นมองไม่เห็นเรื่องบาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เมื่อไม่เห็นมันโลกก็จะอยู่กันอย่างอย่างทารุณโหดร้าย โลกก็จะอยู่กันด้วยความเห็นแก่ตัวทุกคนก็จะสวงหาความสุขจากจากการกระทำการต่างๆถ้าทำแล้วไม่ได้ก็ต้องทำบาปถ้าทำดีแล้วไม่ได้ก็ไปทำบาปกันก็จะมีการทำร้ายกันเหมือนการฆ่าพันกันเพราะไม่มีใครจะกลัวบาปเพราะคิดว่าคนทำบาปนี้ถ้าทำสำเร็จแล้วก็จะมี มีเงินทองมีอะไรที่จะมาป้องกันไม่ให้ไปถูกจับไปลงโทษได้<ม>ถ้าเราบางเกิในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้<ม>เราจะเกิดในยุคที่มีแต่ความโหดร้ายทารุณความเห็นแก่ตัวกันเพราะคิดว่านี่คือวิธีการที่จะหาความสุขให้ตนเองกัน<ม>ต้องหาความสุขมนด้วยทุกวิถีทางถ้ามีใครขัดขวาง มีการต่อสู้ก็ต้องมีการทำร้ายมีการฆ่าฟันกันแต่ถ้าเรามาอยู่ในยุคของที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะมีคำสอนที่สอนให้พวกเรานี้อยู่กันด้วยความเมตตากรุณาอย่าฆ่าฟันกันอ ย, ยอย่าเบียดเบียนกันเพราะสิ่งที่เราได้มานี้มันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องต้องไปรับผลคือการฆ่าฟันการทำบาปนี้มันจะทำให้เราต้องไปรับผลบาป ต่อไปหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วและขณะที่เราอยู่ใจของเราก็จะไม่ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใจของเราจะอยู่อย่างทุกข์อย่างอย่างว่าวุ่นขุนหมัวอย่างวิตกกังวลหวาดกลัวจากการที่จะต้องไปถูกจับไปลงโทษนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเรานี้มีความเชื่อ วาพระพุทธเจ้าพาลิยสงสาวกนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นผู้ที่กระทำบุญนี้ไปสวรรค์กันเห็นผู้ที่ทำบาปนี้ไปนรกไปอบายกันเห็นผู้ที่สามารถชำระจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผุดพ่องได้ไปสู่พานิพานกันไปสู่ที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ขอให้เราเชื่ออย่างนี้ mm hmm. เมื่อเราเชื่อแล้วสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปก็คือเราก็ต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ปฏิบัติอย่างไรพระริยสงสาวกได้ปฏิบัติอย่างไรท่านถึงพ้นจากอบายได้ท่านถึงไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้ mm hmm. เมื่อเราได้ศึกษาแล้วได้เรียนรู้แล้วว่าท่านปฏิบัติอย่างไรแลวท่านเอามาสอนพวกเราให้เราทาอะไรกันบ้างอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ากับพระอริย ส, สาวกทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาปรากฏอยู่ในโลกนี้ในยุคใดสมัยใดก็ตามจะสอนให้พวกเหล่านี้เบื้องต้นข้อที่หนึ่งก็คือให้เราละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปไปนรกกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในนรกอยู่ในอบายกัน เพราะเหตุที่พาให้พวกเราไปอยู่ในนรกในอบายก็คือการกระทํำบาปนี่การกระทํำบาปเป็นสิ่งข้อแรกที่เราต้องมาละกันให้ได้แล้วเราข้อที่สองก็ให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเพื่อให้ใจเรามีความสุขให้ใจเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆและข้อที่สให้เรามาชำระจิตใจของเราให้สะอาด เพื่อเราจะได้ยุติการที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ในนรกถ้าเรายังไม่ยุติเรายังไม่ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุดโอกาสที่เราจะกลับมาเกิดแล้วกลับมาทาบุญทาบาปมันก็ยังมีต่อไปแล้วก็ถ้าทำบาปก็ยังต้องไปเกิดในอบายนี่คือคำสอนสามข้อใหญ่ๆ ที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา mm hmm. ขอให้พวกเราจำสามข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วพยายามนำเอาไปปฏิบัติให้ได้ mm hmm. ข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทาบาปบาปคืออะไรบาปก็คือการกระทาที่ทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนนั่นเองเช่นการฆ่าสัตว์นี่ ทำให้คนที่เราไปฆ่านี้เขาเสียหายหเดือดร้อน mm hmm. ข้อที่สองการลักทรัพย์ mm hmm. การเอาทรัพย์สมบัติเข้าของ mm hmm. เงินทองของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตเรียกว่าเป็นการลักทรัพย์เป็นการลักขโมย mm hmm. เวลาเราขโมยของของคนอื่นเข้ามาคนที่เขาคนที่เขาถูกขโมยเขาก็ต้องเดือดร้อน mm hmm. เขาก็ต้องเสียหาย mm hmm. ก็ท่านความทุกข์ให้กับเขา อย่าอย่าไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้เสียหายให้กับเขาเพราะความทุกข์ความเสียหายที่เราไปสร้างให้กับเขานี้มันจะเล่นกลมาหาเรามาหาเราที่ใจของเราเวลาเราทําบาปแล้วใจของเรานี้จะทุกข์จะไม่สบายใจจะทุกข์ใจขึ้นมาบาปข้อที่สามก็คือการประพฤติผิดประเทณีคือการที่เราไม่ไปล่วงละเมิดสามีภรรยาของผู้อื่น เราต้องเคารพว่าเป็นสมบัติของของสามีของภรรยาที่เราไม่ควรที่จะไปละเมิดเพราะถ้าเราไปละเมิดแล้วก็จะทำให้สามีหรือภรรยานั้นเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและข้อที่สี่ก็คือไม่ให้เราโกหกหลอกลวงอย่าพูดปดให้พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดปูบปากไว้เฉยๆถ้าไม่พูดก็ไม่ถือว่า ได้กระทำบาปไ ด, ได้โกหกออแล้วข้อที่ห้าซึ่งไม่ใช่เป็นบาปโดยตรงเป็นอบายามุข ค, คือการดื่มสุรายาเมาที่ห้ามไม่ให้ดื่มสุรายาเมาเพราะว่าเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วใจผู้ที่จะไปกระทำบาปนี้ออก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งนั่นเองไม่มีสติมายับยัง้ง เวลาดื่มสุราเข้าไปแล้วเกิดอาการมึนเมาเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็จะไม่สามารถยับยั้งความพูดที่ไม่ดีไม่ได้ไม่สามารถยับยั้งความก า, การกระทําที่ไม่ดีไม่ได้คือจะไปยับยั้งการการกระทําบาปไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเวลาที่ไม่ดื่มสุรายาเมาเวลามีสติสัมปชัญญะอย่างตอนนี้ <Yeah. S 1> เวลาคิดจะทํำบาปนี้ ก็จะสามารถที่จะยับยั้งได้พราะพระพุทธเจ้าเลยต้องรวมเรื่องของอบายามุขเข้ามาเป็นส่วนส่วนของบาปด้วยอย่าไปดื่มสุรายาเมาแล้วอบายามุขอย่างอื่นเช่นการเล่นการพนันก็เหมือนกันการเล่นการพนันนี้ถ้าเล่นไปไม่ช้าก็เร็วก็จะหมดเนื้อหมดตัวแล้วจะทำให้ต้องไป ทำบาปเพื่อที่จะหาเงินหาทองมาใช้นี่หรือมาเล่นต่ออีก mm hmm. อย่าไปอย่าไปเสพอบายามุขอย่าไปดื่มสุรายามาอย่าไปเล่นการพนันแล้วก็อย่าไปเที่ยวกลางคืนกัน mm hmm. การเที่ยวกลางคืนก็เป็นการไปเสพอบายามุขไปดื่มสุราย mm hmm. ไปเสพนไปประพฤติผิดประเพณีกัน mm hmm. ไปเล่นการพนันกัน ซึ่งเป็นการกระทำที่จะทำให้จิตใจตกตำ่ำนำพาไปสู่การกระทำบาปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ข้อที่4ของอบายามุขก็คืออย่าเกียจค้านให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะารความเกียจค้านนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราไปทำงานหาเงินหาทองมาชดมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้ถ้าเราไม่เราไม่ไปทำงานเราเกียจค้านเราจะไม่มีรายได้ที่สุดจริต เราก็มักจะต้องไปหาไรายได้แบบทุจริต ก, ก็คือไปชอชอบโกงไปหลอกลวงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองนั้นอยากเกียติค้านให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในการนำทำหน้าที่ต่างๆของเราถ้าเรายังเป็นเด็กก็ให้มีความขยันในการไปเรียนไปศึกษาเรียนให้จบในระดับสูงๆให้ได้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่จะ ไปทำหากินที่จะทําให้มีรายได้ดีและสะดวกแล ะ, และงานเบากว่าผู้ที่มีรายมีความรู้น้อยเรียนน้อยเรียนชั้นต่ําก็ต้องไปทํางานที่หนักกว่ารายได้ก็น้อยกว่าเรียนชั้นสูงก็จะได้งานที่เบากว่าได้รายได้ที่ดีกว่าฉะนั้นอย่ากเกียจค้านในหน้าที่การงานต่างๆถ้าราเรียนจบก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานทําการ เพราะถ้ามีการทํางานมีความขยันในการทํางานก็จะมะีผลที่เกิดจากการทํางาน ด, ดีเมื่อมีผลดีผู้ผู้ว่าจ้างเขาก็จะยินดีที่จะเพิ่มเงินเดือนให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้นั่นเองความความความขยันนี้เป็นเหตุไปนําไปสู่ความสุขความเจริญส่วนความเกียจคร้านนี้เป็นเหตุนําไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆ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 ถ้าเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านเพราะฉะนั้นอย่าไปคบกับคนแบบนี้ถ้าจําเป็นจะต้องคบก็ต้องไม่ให้เขาชับจุงเราไปในในทางของอบายมุขถ้าเขาชวนเราไปเดือดราเราก็ต้องปฏิเสธอย่าไปเกรงใจถ้ า, ถ, าถ้าต้องเลือกคบกับเขาเพราะว่าเราไม่ไปทําตามที่เขาชวนก็ก็ให้ทําไปให้ให้เลือกคบกับเขาจะดีกว่า ดีกาไปไปทำตามที่เขาทําเพราะมันจะพาให้เราล่มจมไปกับเขาต่อไปนั่นเองอ น, นี่คือสิ่งแรกที่ชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามปฏิบัติกันให้ได้เพื่อที่เราจะได้ปิดประตูวบายปิดประตูนรกกันถ้าเราไม่ทํำบาปทากรรมแล้วตายไปนี้ใจเราจะไม่ไปตกนรกกันไม่ไปเกิดเป็นเดบลฉานไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เพราะเหตุที่พาให้เราไปเกิดนั้นเราไม่ได้ทํามันนั่นเองเมืม่อไม่มีเหตุผลก็จะไม่มีการตามมามผลจะตามมาต่อเมื่อมีเหตุถ้ามีการกระทําบาปผลก็จะต้องมีตามมาถ้ามีการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดโกหกหลอกวงเดือบดรายาเมาและเสพอบา ย, ยมุกต่างๆผลก็คืออบายก็จะตามมาอย่างแน่นอนอ ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปมีความทุกข์แล้วก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไม่มีความสุขมีแต่วความทุกข์เราก็ต้องพยายามละการกระทํำบาปละอบายามุขให้ได้นี่คือข้อที่หนึ่งของคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายสอนให้เรานี้ปิดประตูอบายอย่าไปอบายอบายนี้เป็นเหมือนคุกเหมือนตาราง ไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตารางหรอเพราะไม่มีอิสรภาพไม่มีความสุขเมื่อเราปิดประตูบาได้แล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลกันมาทําความดีในรูปแบบต่างๆการทําบุญนี้หมายถึงการทําให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์สุขจากการกระทําของเราเช่นการเราบร่อยจะเข้าของเงินทอง ให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญให้ความสุขกับผู้ให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนอันนี้เมื่อเราทําแล้วจะทําให้ใจเรามีความสุขนอกจากมีความสุขแล้วใจของเราก็จะใ จ, ะจะยกระดับสูงขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆตอนนี้ใจของเราเป็นมนุษย์กันสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ทําบาปเราไม่ได้ทําบุญ เวลาเราตายไปนี้เราก็จะไม่ได้ไปไปสวรรค์เราจะไม่ได้ไปอบายแต่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปแล้วเรามาทําบุญกันเวลาตายไปนี้ใจของเราจะได้ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนสวรรค์นี้มันเป็นที่ที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าที่ที่โลกของมนุษย์เราอยู่ในโลกของมนุษย์เรายังอยากจะไปเที่ยวกัน อยากจะไปเที่ยวตามบ้านตามเมืองตามประเทศต่างๆกันเพราะเราเห็นภาพที่เขาโฆษณาแล้วมันทําให้เราอยากจะไปกันสวรรค์ น, นี่แหละเป็นที่น่าท่องเที่ยวกว่าที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราเพียงแต่รักษาศีลไม่ทําบาปตายไปเราจะไม่ได้ไปเที่ยวในสวรรค์เราก็จะมารอคิวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแต่ถ้าเราได้ทําบุญ ถ้าไม่ได้ทำบาปนี้เวลาตายไปเราก็จะได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ในสวรรค์ชั้นต่างๆที่เป็นที่สวยงามกว่าที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm. นั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปใจของเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์เราก็ต้องทำบุญด้วยนอกจากไม่ทำบาปแล้วเราก็ต้องทาบุญด้วย เราถึงจะสามารถไปสวรรค์ได้และหลังจากที่เรากลับลงมาจากสวรรค์เราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีติดตัวมาแจะทําให้ชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเรานี้ดีกว่าดีกว่าชาติก่อนเพราะว่าบุญที่เราทําไวน้นี้มันยังไม่หมดเวลากลับมาบุญนี้จะทําให้เรามาเกิดมีฐานะที่ดีกว่าเกา่าร่ํารวยกว่าเกา่า มีความสุขมากกว่านี่อันนี้คือสิ่งที่เราสิข้อที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเวลาเราทำบุญนี้ใจของเราจะมีความสุขและเวลาเราตายไปใจของเราก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ถ้าเราอยากจะรู้ว่า การท่องเที่ยวในสวรรค์หรือการไปในนรกนี่เป็นยังไงก็ให้เราดูตอนที่เรานอนหลับก็แล้วกันตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เป็นเหมือนตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแต่ตายแบบชั่วคราวตอนที่เรานอนหลับนี้ร่างกายจะนอนอยู่นิ่งเฉยเฉยจะไม่ไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ไปติดทุกติดตารางก็ไปไม่ได้แต่ใจนี้มันไปได้เวลาที่ร่างกาย ไม่ไม่ไม่สามารถทำอะไรได้ใจนี้แหละจะเป็นผู้ที่ไปไปสวรรค์หรือไปนรกไปด้วยอำนาจของบุญหรือของบาป ท, ที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญไว้ในอําอำนาจของบุญจะทำให้เรานี้นอนหลับแล้วฝันดีฝันว่าเราได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ไปกินไปดื่มไปพบกับความสุขในรูปแบบต่างๆอันนี้แหละคือสวรรค์ ซึ่งขณะที่เรานอนหลับนี้มันก็จะเป็นเราเรียกว่าความฝันแต่ถ้าเวลาที่เราตายไปจริงๆร่างกายมันตายไปเราก็จะอยู่ในโลกของความฝันถ้ามีแต่เรื่องมีแต่ความฝันดีก็ถือว่าเราอยู่ในสวรรค์กันหรือถ้าเราฝันร้ายฝันแล้วจะห้องบางทีตื่นขึ้นมานี่นอนไม่หลับก็มีก็มีเรื่องหวาดกลัวหน้าหวาดเสียวอะไรต่างๆทําให้ทําให้นอนไม่หลับทําให้ต้องตื่นขึ้นมา อันนั้นแหละเป็นผลของบาป mm. เป็นเรียกว่าเป็นนรกก็ได้ mm. นี่แหละคือนรกและสวรรค์มันก็ไม่ใช่อะไรก็คือความฝันในใจของเราเนี่ที่เกิดจากการทําบุญทําบาปของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปเจอเหตุการณ์เลวร้ายในขณะที่เรานอนหลับเลือรอนในขณะที่เราตายไปก็อย่าไปทําบาปกัน mm. ถ้าเราอยากจะไปเจอเหตุการณ์ที่ดีที่ให้ความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจ ก็ขอให้เราทําบุญกันแล้วตายไปใจของเราก็จะได้ไปสวรรค์เนี่ยแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเกา่าร่ำรวยกว่าเกา่ามีฐานะที่ดีกว่าเกา่าทำหากินก็สะดวกคล่องแคล่วว่องไวกว่าเก่า น, นี่คืออ น, นิสงส์งของบุญที่เราได้ทํากันในชาตินี้ชาติต่อไปนี้เราจะเราจะได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมา แต่การไปรับผลบุญแล้วการกลับมาเกิดหมายนี้มันก็ยังไม่หนีไม่ค้นความทุกข์อยู่ดีเพราะเวลาทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้มันไม่เป็นเวลาที่ดีเลยไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บกันไม่มีใครอยากจะตายกัน แต่ก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายอยู่ถ้าไม่อยากจะมีความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ทั้งหนึ่งและการที่เราจะหยุดการเกิดได้เราก็ต้องไปชำระเหตุไปกําจัดเหตุที่พาให้ใจของพวกเรามาเกิดกันเหตุที่พาให้พวกใจของเรามาเกิดกันก็คือกิเลสตัณหาเนี่ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆซึ่งการที่เราจะกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี้เราก็ต้องใช้การปฏิบัติจิตภารมานี้เอเราต้องมาเปิดตาตาในของเราเพื่อให้เราเห็นตัวกิเลสตัณหาตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเมื่อเห็นแล้วเราก็จะได้มี มีเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการที่เราจะมากําจัดความโลภความโกรธความหลงของกิเลสได้ความ good, ความความโลภความโกรธความหลงของใจได้เพื่อที่เราจะได้ยุติการมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราสามารถกํา <CPU> จัดโลภโกรธหลงหรือความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจเราก็จะอยู่ที่นิพพานเป็นนิพพานไป นิพพานก็เป็นการที่ไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราอยากจะไม่อยากจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในฐานะที่ล่ําโดยก็ตามหรือเวลาตายไปไปสวรรค์ก็ตามแต่เวลามาเกิดทุกครั้งมันก็จะต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย ทุ ก, กับการสูญเสียทุ ก, กับการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เราลักเราชอบไปกันถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้าเขาสอนให้พวกเรามาชำระใจกันชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการมาปฏิบัติจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสอง สองตอ น, น้วยก่อนตอนที่หนึ่งเรียกว่าสามถภาวนาตอนที่สองเรียกว่าวิปวัสสนาภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจจากจิตใจที่วุ่นวายให้เป็นจิตใจที่สงบเรียกว่าสามถภาวนาแล้วก็พัฒนาจิตใจจากจิตใจที่มืดบอดให้เป็นจิตใจที่สว่างเต็มไปด้วยปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญา เพราะเราต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาและต้องมีจิตใจที่สงบเราถึงจะสามารถที่จะชําระความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะยุติการเย็นว่ายตายเกิดเราก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้อที่สามที่เราจะต้องปฏิบัติกันเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติข้อที่หนึ่งก่อนปิดประตูอบาย ให้ได้ก่อนด้วยไม่ด้วยการละการกระทําบาปทั้งหลายเมื่อเราละการกระทําบาปได้แล้วเราก็มาสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทําบุญทํากุศลต่างๆทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้อื่นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้เราก็ทําไปเราจะทําให้ใจเรามีความสุขแต่การไม่ทําบาปและการทําบุญนี้ยังไม่สามารถที่จะ กำจัดการมาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมาทำข้อที่สามข้อที่สามก็คือเราต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการปฏิบัติขั้นต้นก็ต้องปฏิบัติที่สมถะภาวนาก่อน คือทาใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนก็ถึงก่อนที่จะไปทาให้ใจฉลาดมีมีดวงตาเห็นธรรมได้จำเป็นต้องใจต้องเป็นใจที่สงบนิ่งก่อนถึงจะสามารถทำให้เปิดตาในให้มีปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้สิ่งแรกเราต้องทาก็คือมาเจริญสมาทิภาวนาถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือมาฝึกสมาธิกันนั่นเอง การนั่งสมาธิการจเจริญสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธินี้เรียกว่าสมถภาวนาใจจะอยู่เฉยๆนี่จะให้มันสงบมันมันไม่ยอมสงบเองเราจะสั่งมันต่อไปนี้ให้ให้นิ่งๆเฉย ๆ, ๆให้สงบนี้เราสั่งมันได้แต่มันไม่ทำตามคำสั่งของเราเพราะคำสั่งของเรามันไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่จะทำให้มันสงบได้ก็คือสติเราต้องมาสร้างสติกันให้มีสติขึ้นมาในใจของเราให้ได้ ถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดได้เมื่อเราสามารถหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ดังนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องมาฝึกสติกันก่อนถ้าเราไม่มีสติเวลามานั่งสมาธินี้ใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทั้งว่าตลอดนั่งไปแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเหมือนกับไม่ได้นั่ง เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะทําให้ใจสงบเป็นสมาธินั่นเองถ้าเราอยากจะสงบเบื้องต้นเราต้องฝึกสติกันก่อนพยายามควบคุมความคิดด้วยการใช้กรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องยึดยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้อารมณ์กรรมฐานที่เราใช้กันทั่วไปที่รู้จักกันทั่วไปก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ ให้เราพยายามมาฝึกบริกรรมพุโทโธพุธโทโธกันทั้งวันทั้งคืน mm hmm. เดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆนี้ขอให้เราพย า, ายามหมั่นขยันบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดเพอ้อเจอ้อคิดเพอ้อฝัน mm hmm. ถ้าจะคิดก็ต้องให้คิดแต่เรื่องที่จำเป็นต้องคิดเรื่องทามาหากินเรื่องทางานทาการอะไรต่างๆเล่านี้คิดได้ แต่พอไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดแล้วก็อย่าให้ปล่อยให้มันคิดอย่าไปให้ไปคิดไปวิตกกังวลไปวิภากษ์วิจารณ์คนนั้นคน น, นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุโทโธไปเราทําบริกรรมพุโทโธนี้เราทําได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาพอ ล, ลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปกินข้าวรับประทานอาหารก็พุทโธ เดินทางไปทำงานก็พุทโทรจะหยุดพุทโทรก็ต่อเมื่อเราเริ่มทำงานแล้วต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทำเราก็หยุดพุทโทรไปพอช่วงไหนเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานเราก็มาพุทโทรพุทโทรต่อพยายามฝึกอย่างนี้ไปและเวลามานั่งสมาธินั่งหลับตาบริกรรมพุทโทรไม่นานใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบได้เวลาใจนิ่งใจสงบก็จะพบก็จะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจ เริ่มเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองเวลาใจเราคิดดีพูดดีทําดีใจเราก็มีความสุขเวลาใจเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีใจเราก็มีความทุกข์เริ่มเข้าใจแล้วว่าสวรรค์เป็นอย่างไรนรกเป็นอย่างไรเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทำบุญหรือเกิดจากการกระทําบาปต่างๆอันนี้ก็จะทําให้เราเริ่มมีปัญญาขึ้นมาเริ่มเห็นเริ่มเห็นเริ่มเห็น ความจริงของสัตว์จะทำของชีวิตของเราว่าความสุขของเราความทุกข์ของเรานี้มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความคิดนี้เองถ้าคิดไปในทางบุญก็จะทำให้ใจเรามีความสุขถ้าคิดไปในทางบาปมันก็จะทำให้ใจเรามีความทุกข์แล้วเราก็จะเห็นว่าการที่ใจเรายังไม่นิ่งตลอดเวลาก็เพราะว่าใจของเรานี้มันยังมีตัวที่คอยผลักดันให้ใจเราไม่นิ่ง ก็ค <One input> ือความโลภความอยากต่างๆนี้เองความโลภความอยากนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะพาให้เราต้องไปเกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาทำตามความโลภตามความอยากสิ่งที่เราโลภเราอยากก็คือโลกกระทนี่เองเราทุกคนเกิดมาแล้วเราก็อยากได้ลาภยศรเสริญสุขกัน เราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าลาบยศเสรเสรินสุขนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปตายไปตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาหาใหม่เราก็ต้องอย่าไปอยากได้ลาบยศเสรเสริญสุขให้เราอยู่กับความสงบแล้วความสงบที่เราได้นี่มันก็มีความสุขเหนือกว่าความสุขจากที่การที่เราได้ลาบยศเสรเสริญสุข คือให้เราอยู่เฉยๆหยุดความอยากเวลาอยากได้ลาบยศสรารเสริญสุขก็หยุดมันอย่าไปทํามันถ้าเราทําไปเรื่อยๆฝืนความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากได้ลาบยศสรารเสริญสุขมันก็จะหมดไปเมื่อมันหมดไปมันก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปนี่คือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาให้เราเห็นว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆ ก็คือความโลภความอยากต่างๆที่เรามีอยู่ในใจความโลภความอยากในรากโยศสารสนุกนี่เเราก็ต้องตัดมันไปให้ได้หยุดมันให้ได้ไถ้าเรามีสมะถะภาวนามีความนิ่งมีความสงบเราก็จะมีกําลังหยุดความอยากได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าการกระทําความอยากนี้จะพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปทุกข์อยู่ไม่มีวันจบสิน้นถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากของเรา ถ้าเรามีสมถะมีสมาธิเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดได้พอเราหยุดแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปจากใจความโลภความโกรธความหลงมันก็จะหมดไปจากใจเมื่อไม่มีอะไรหลงเหนืออยู่ในใจแล้วที่จะพาให้เรามาเวียนว่าตายเกิดใจเราก็อยู่ที่พระนิพพานใจก็เรียกว่าใจก็เป็นนิพพานไปเป็นใจที่เต็มใบเรือบัลลุ ม, มัสุข เพราะความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากนี่แหละเป็นความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวรยั่งยืนก็คือความสุขที่เกิดจากการละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่เกิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกได้ปฏิบัติกันได้บรรลุถึงกันแล้วนำม า, มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้พวกเราที่ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้มีขึ้นมาในใจของเราด้วยการมีความศรัทธาความเชื่อ แล้วมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่สอนให้พวกเราละการกระทามบาปให้เราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถทำทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้กันก็คือได้พระ น, นิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่เือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยัถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังปะ ก, กปติอิธิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระสสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวจันตุสัพพโรควินัสตุมาเตปวัตวันตาบายสุขีติขายุโกภะ อาพิวาธนสีิทธะนิจังวุธาประจายโนจตารโธรรมะวะฏานติอายุวโนสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมาหน้ากุธจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ505ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 314 YouTube Dr.V Channel 47วิทยุออนไลน์9คลับฮาว8นากุธ222รวมทั้งสิ้น 1,105 110ท่านค่ะเ ม, มีคนอยากยัดถามวังการไม่ทราบไปไหนนะ ถ้าได้ยินก็เข้ามาได้เข้ามาเชิญถามไว้ก่อนก็ได้ค่ะ คำถามจากทางเฟ e บุ o k พระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนี้โยมสังเกตเห็นตัวเอง ว, ว่าเวลากระทบอะไรต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโยมจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นเราสามารถระงับไม่ให้ใจหวั่นไหวจากการกระทบจากทางอายตนะต่างๆได้อย่างไรคะหรือปล่อยให้มันฟุ้งแบบนี้ไปเลย อ, อ๋ อ, อก็ต้องฝึกสมาธิต้องนั่งสมาธิทาใจให้สงบเป็นอุเบกขา ้ใจก็จะมีกำลังที่จะวางเฉยได้ถ้ายังไม่ฝึกสมาธินี่ก็ยากเวลาถ้ามันไม่เฉยก็ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธช่วยทำให้มันเฉยไปพางๆก่อนเมืท่านผู้อยู่ข้างหลังเชิญามได้ ขออนุญาตขอเรียนกราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือหนูเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อสามเดือนก่อนแล้วก็ Rainbow, จริง assim, ๆเสียคุณแม่ไปเดือนครึ่งก <de ็เส totally ียคุณพ่อไปตามแล้วก็อีกเดือนครึ่งพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเลยอยากขอถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในวิกฤตแบบนี้หนูจะต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะก็พิจารณาว่าร่างกายของพวกเราไม่ใช่ตัวเรา เป็นเพยงคนรับใช้เราเราเป็นใจไม่มีวันตายใจที่มีความรู้สึกทุกตอนนี้ไม่ตายเพียงแต่ว่าใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยไปทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายไปเราก็ต้องสอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายและร่างกายของคนทุกคนนียทั้งของเราของของใครก็ตามก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน งั้นเราไม่ต้องทุกข์เราต้องปล่อยวางอย่ายไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วถ้าเวลามันทุกข์เราพยายามทําใจให้สงบพุทโธพุทโธฝึกสมาธิไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะอยู่กับความเป็นความตายของร่างกายไนดะ้เราห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็ห้ามไม่ได้พระสาวกทั้งหลายก็ห้ามไม่ได้ แต่ท่านห้ามใจของท่านไม่ให้ทุกข์กับร่างกายได้ด้วยการปล่อยวางร่างกายด้วยการยอมรับว่ามันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นธรรมดาเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจทุกข์ก็นองสดงเราต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทาใจให้สงบแเ้วก็จะหายทุกข์ไป okay. <c oughs> <c oughs> ท่านหนึ่งส่งต่อไปเลยอยู่ข้างหลัง <c oughs> กำลังจะบวชชีโกนเดือนหน้าเจ้าค่ะก็เลยจะสอบถามท่านพระอาจารย์ว่าจะทำยังไงให้คนรอบข้างเข้าใจว่าสิ่งที่เราเลือกทำเขาเป็นห่วงอะเจ้าค่ะเพราะมีลูกเล็กกลัวจะไม่สึกอยากจอดที่จะทำให้เขาเข้าใจได้เพราะเขาอยู่ในโลกที่ว่าจะต้องต้องมีเพื่อนมีครอบครัวมีเพื่อนอน้อง ม, ม, มาช่วยกันดูแลกันให้ความสุขกัน แต่เขามองไม่เห็นเรามามองเห็นว่าคนที่จะมาช่วยเราเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาก็จะช่วยเราไปไม่ได้ตลอดอยดีแ้วสิ่งที่จะช่วยเราได้ตลอดก็คือการศึกษาการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเรามีที่พึ่งถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับอะไรทนะั้งสิ้นงั้นอย่าไปอยากให้เขาเข้าใจเลยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเขาเข้าใจเขาจะไปบวกรับเรานะใช่ไมครัค่ะ ก็ยอมรับกับทความความความมืดบอดของเขาไปว่าเขายังมองไม่เห็นไม่ต้องไปกังวนลหรอกใครจะคิดอย่างไรมันไม่ได้ทําให้เราดีหรือชั่วลงไปหรอกอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะเราต้องตัดเขาไปอย่าไปหวังให้เขาเชื่อเราสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเราแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตอนที่จะเอาบวตรเลยบอกใครไม่ได้บอกเขาก็จะห้ามไม่ให้ไปจถ้าเราจะต้องหนีไปแต่พอหลังจากที่ท่านตัดทะลุแล้วท่านก็นมาแสดงธรรมให้เขาฟัง ทีนี้เขาเชื่อแล้วเขาเข้าใจนะเขาตามบวชกันเยอะแยะกป็นหมดเะยงั้นเราไปก่อนไปปฏิบัติให้หลุดพ้นก่อนแล้วเราค่อยกลับมาคุยกับเขาตอนนั้นเขาจะเชื่อเราแนะค่ะเพราะเขาจะเห็นว่าเรามีความสุขเราไม่มีความทุกข์เลยเขายังมีความทุกข์อยู่เขาก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เขาอยากจะเรียนรู้จากเราต่อไปนะงั้นไปเถอะไม่ต้องกังวลเรื่องของคนอื่นนะถ้ากังวลก็ไปไม่ได้ไม่มีใครไปได้หรอกเพราะทุกคนไม่มีใครอยากให้ไปบวชกัน อจริงเจ้าค่ะนะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอนะตามพระพุทธพระธรร ม, มพระสงฆ์ไปแล้วเดี๋ยวข้อจะตามกันมาเองโ <Okay. S 2> อเคค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ กลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราไปงานเลี้ยงเราดื่มแล้วไปหนึ่งแก้วหลังจากงานเลี้ยงเลิกแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ทําการผิดศีลข้อใดอีกไม่มีการทะเลาะวิวาทเราบาปหรือไม่เจ้าคะบาปยังไม่เกิดหรอกแต่ก็ว่าครั้งต่อไปมันแก้วเดียวมันจะไม่พอนะเดี๋ยวมันสองแก้วสามแก้วเดี๋ยวก็นในสุดก็เมาจนได้งั้นทางที่ดีอย่าไปแตะมันดีกว่าอะไรก็ตามพอเราเริ่มดื่มแนละ้วเริ่ม เ็แล้วมันจะเพิ่มมันต้องการเพิ่มมันถึงยาเ ก, กิดความรู้สึกที่ที่ที่ชอบขึ้นมาถ้าแก้วเดียวยังไม่รู้สึกดีก็เอาอีกแก้วดเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องกินน้ำขวดนะั่นแหละคำถามจากคุณจรัญญาค่ะ ทุกวันนี้รู้สึกว่าเราเป็นธาตุร่างกายจึงพยายามกินน้อยๆกินแต่พออิ่มส่วนเสื้อผ้าก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใส่ของแพงหรือมีหลายตัวเส้นเปลืองเปล่ า, ลาเก็บเงินไว้ทําบุญหรือช่วยเหลือคนทุกข์ยากดีกว่ายอมเข้าใจและควรปฏิบัติต่อไปแบบนี้ใช่หรือไม่คะใช่เราควรจะเป็นนายมันไม่ใช่แบบเป็นตเป็นธาตมัน mm. ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายมีหน้าที่รับใช้เรา รับเช้เราไปในทางที่ทำให้เราสบายให้เราสุขก็คือรับใช้เราพาเราไปทำบุญทำทานพาเราไปรักษาสีงพาเราไปภาวนาไม่ใช่พาเราไปช้อปปิ้งไปซื้อของฟุ่มเฟือยของแพงๆให้ร่างกายใช้อย่างนี้ละเราเป็นท่ายของร่างกายไม่ได้เป็นนายของร่างกายถ้าเราเป็นนายของร่างกายร่างกายต้องพาเราไปทำบุญรักษาสิงไปปฏิบัติธรรม คำ ถ, ถามจากคุณชยานีค่ะระหว่างวันเราท่องพุทโธธรรมโมสังโฆทั้งวันแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราใช้พุทโธได้ไหมคะได้ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือใช้ลมหายใจอย่างเดียวก็ได้เปลี่ยนได้เวลานั่งสมาธิแต่เวลาใช้เราก็เอาอย่างนั้นอย่างเดียวไปถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าดูลมไม่ได้ค่อยมาใช้พุทโธหรพุทโธธรรมโอสังโฆไปก่อน คำถามจากคุณสิงโตค่ะกระผมอยากทราบวิธีการเดินปัญญาตัดละสังโยสกยัจยทิฏฐิครับก็ต้องมองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันเป็นดินน้ําลมไฟในที่สุดมันก็ต้องกลับเขินสู่ดินน้ําลมไฟไปอาการเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่ใช่เราเจ็บร่างกายเป็นคนเจ็บเราเป็นเพียงผู้รู้เป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้หมอไม่ไปเจ็บปวดแท้กับ ความเจ็บปวดของคนไข้หรอกหมอเพียงจะรับทราบแล้วก็หายาให้คนไข้กินไปเท่านั้นเองใจก็เหมือนกันใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายท่าไม่ต้องกลัวการเจ็บปวดของร่างกายไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บแล้วเวลาตายก็ไม่ใช่ใจที่ตายคือร่างกายที่ตายคิดอย่างนี้เราจะละสังโยชน์ได้คำถามจากคุณเอกชัยค่ะคําว่าสังขารหมายถึงร่างกายหรือความคิดปรุงแต่งครับ ถ้าเป็นหลักธรรมจริงๆแล้วสังขารก็คือความคิดตรงแต่ภาษาไทยเราก็เอามาใช้แทนนั่งกายยังไม่มีคำถามอ๋อมีค่ะคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะกราบขอคำแนะนำแก้นิสัยชอบนอนต่อทั้งทั้งที่ทตั้งนาฬิกาปลุกแล้วคิดอย่างไรให้ชนะกิเลส ต, ตัวนี้ให้ได้คะ ก็ให้คิดว่าเวลาเรามันก็หมดไปหมดไปถ้าเราไม่รีบลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเวลาก็จะไม่พอกับการปฏิบัติมีคำถามเชิญถามได้เลยรบกวนสอบถามอาจารย์ครับจริงๆแล้วสติรครับฝึกยากกว่าสมาธิ้ากมา ง, างใช่ไหมครับสติเป็นเหตุเลถ้ามีสติแล้วสมาธิก็จะตามมา เราไม่ต้อง ก, กังวลเรื่องสมาธิให้ ก, กังวลที่เหตุคือสติพยายามฝึกสติบ่อยๆมันปลูกต้นไม้่ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ผลไม้ก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราต้องขยันปลูกต้นไม้ขยันน ด, ดน้ําพรนดินต้นไม้อยู่เรื่อยๆดูแลต้นไม้ให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมาพอมันโตแล้วผลมันก็ออกมาเองถ้ า, ามีสติที่ที่ทต่อนเนื่องที่ไม่ขาดตอนเดี๋ยวสมาธิก็ตามมาเองอ๋อ ยังไม่ต้องกังวลเรื่องสมาธิต้องกังวลเรื่องสติพอเราข ย, านขยานันเจริญสติขยันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่างถ้าเกิดเราขยันภาวนาก็มันก็เป็นการโฟกัสมันก็เป็นการเจริญสติไปใน ต, ตัวอยู่แล้วภูกไหมครับอาจารย์หมายถึงช่วงไหนช่วงที่เรานั่งหรือช่วงที่เราช่วงที่จับภาวนาครับเราภาวนาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอไปเรื่อยๆอย่างนี้สติเราก็จะดีขึ้นใช่ไหมหมายถึงใช่ในอเรียบทีสให้เรามีสติอยู่จะเปลี่ยนบ้างก็ได้จากพุโทโธมาดูเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ก็จะสวดมนต์ไปในใจก็ได้ครือข้อเข้าหมายก็คืออย่าให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆครับแล้วเรื่องเมตตาครับพระอาจารย์ไม่ทราบว่าคือตอนแรกพยายามจะฝึกแต่ว่ารู้สึกมันไม่มีเมตตาเท่าไหร่หรือสึกแบบว่ากุ้มใจมานานแต่ว่าพอเราฝึกพุทธานุสติตเยอะๆแล้วรู้สึกว่าเมตตาเราดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยคือผมอยากจะถามอาจารย์ว่าหนึ่งหลักการฝึกเมตตาฝึกยังไงครับพระอาจารย์ครับ คือความจริงของการเมตตาก็คือให้เรามีความไม่ตีจิตกับทุกคนมองทุกคนว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราอย่าไปมองเขาว่าเป็นศัตรูเวลาเจอใครก็ควรที่จะทักทายกันแล้วก็ถ้ามีอะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาอย่าทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทาร้ายกันให้ความสุขต่อกันให้อภัยกันเวลาเกิด าการกระทาอะไรที่เกิดความเสียหายขึ้นมาก็อย่าไปอย่าเอาโทษอย่าไปเอาผิดกันให้อาภัยกันไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่กับเขาได้อย่างสบายถ้าเราไปถือเขาเป็นศัตรูก็จะอยู่กันลาบากถ้าเขาทำผิดแล้วเราจะเอาผิดเขาไปแจ้งความไปร้องร้องนีการเป็นวิตก็จะหายไปการเป็นศัตรูก็จะเกิดขึ้นมา แทนท่าพยายามรักษามิตรภาพไว้ให้ได้แล้วใจเราจะสบายเวลาเราอยู่กับมิตรนี่สบายก็อยู่กับศัตรูครับมานะครับพระอาจารย์มานะมานะม า, นะมานะนี่คือการเปรียบเทียบหรือเปล่าครับการอะไร น, นะคือการเปรียบเทียบหรือเปล่าครับก็มานะคือการถือตัวถือว่าเราดีกับเขาเท่าเขาแล้วแล้วเล็วกว่าเขาถ้าเกิดว่าอย่างเรา แบบว่าหนึ่งสมองสองมือเท่ากันแล้วเราประหยัดทาให้สำเร็จอย่างนี้เป็นมานณะไหมครับถ้าเรามองในสิ่งที่เราเหมือนกันเราก็จะละมานะได้เช่นเรามีอาการสามสิบสองเหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนือไม่เห็นกระดูกเหมือนกันที่มีการเกิด แ, แก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็จะมองว่าเราเท่ากันเราไม่มีเราไม่ถือว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าครับ พระอาารครับแล้วศิลปะในกะละมัสูตรคืออะไรครับพระอาจารย์ศิลปะในการอะไรนะกะละมัสูตรนะครับมงคลสี่สี่ประการใช่ไงคลสาสิบแปดมงคลสามสิบแปดครับศิลปะก็คือการรู้จักวิชาวิชาชีพต่างๆที่ที่เป็นศิลปินศิลปะการทํากับข้าวการวาดภาพการทําอะไรอย่างเี้การมีความรู้เหล่านี้ก็เป็นการที่เราจะสามารถเอามาใช้เป็นอาชีพเลี้ยงชีพและธมาอ่านเลี้ยงชีพเราได้ศิลปะน้องนาทําเพลงแต่นั้น แ ต, แต่งละครเขียนนิยายหรืออะไรต่างๆนี่เรียกว่าเป็นศิล ป, ปะ ค, คือขึ้นในการประกอบสมมิอาชีพใช่ใช่ทำอชีพอย่าไปอย่าไปรักขโมยอย่าไปป้นไปจี้อะไรทนะับนั้นอย่าไปเล่นการพลันพระอาจารย์ครับแล้วจริงๆคนทานคือยังไงครับคนทานก็คือคนไม่รู้ธรรมะคนไม่รู้ว่าบุญบาปมีจรงิงสันนิกสวรรค์มีจริงการยืนว่าตายเกิดมีจริง เรีว่าคนพายอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ร่วมคือคนพายก็อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ใกล้สุดจนน่าสุดเคย อ, อยู่ร่วมกันได้เป็นมิตรกันได้แต่อย่าไปทําตามเขาว่าแล้วกันอย่าไปให้เขามาสอนเราแล้วนําพาเราไปในทางของเขาเพราะก็จะนําพาเราไปในทางที่ผิดที่เสียหายครับพราต่างครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เลือกเส้นทางที่ยาวไกล เน้นการบริหารจัดการกรรมใช้กรรมให้เป็นประโยชน์ไม่ทํากรรมใหญ่อย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าโอเคไหมครับหมายถึงทางไหยทางโลกเลยไม่ใช่ครับทางยาวๆเลยครับทางยาวหมายถึงยังไงล่ะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครับอ๋ออันนี้ก็ทําได้แต่ตอนนี้มีทางลัดไม่ต้องไปทางยาวนเวลาขับรถถ้าเจอทางลัดกับเจอทางยาวคุณจะไปทางไหนเมื่อไปถึงจุดหมายายทางนันเดียวไป ก็ไปทางลัดไม่ดีกว่าเร็วกว่าสั้นกว่าอันนี้เรามีทางลัดมีคำสอนของพุทธเจ้าสอนเราอยู่แล้วเราก็ไปทางลัดดีกว่าไปทำทตามที่ผู้เจ้าส่งสั่งสอนไม่ต้องไปหาทางของเราเองทางยาวก็คือเราต้องไปหาทางเองนี้การที่เราจะใช้ทางยาวก็ต่อเมื่อไม่มีทางลัดถ้าเราไม่รู้ทางลัดเราก็เราก็าเเลยต้องไปทางยาวไปสร้างบารมีสิบ์อย่างนี้ งั้นไม่ได้แปลว่าเราจะถ้าเกิดสมมติบันไดมี38ขั้นเราต้องรู้ว่าแต่ละขั้นยาวกี่เมตรกว้างกี่เมตรคือเราเดินถึงให้เป็นกอนไปถึงยอดเราค่อยมาศึกษารายละเอียดได้ไหมครับว่าแต่ละขั้นทำมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามารู้แล้วเ ร, เ, เราก็จะเข้าใจว่าทำมากน้อยเพียงไรบางทีเราก็เราก็ทำเกินไปบ า, บางขั้นบางตอนเราอาจจะทำเกินไปมันก็เลยทำให้เราเสียเวลาได้ ถ้าเรามีแผนที่มีทางลัดบอกเราให้ทําเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็ทําเท่าที่ก็เท่าที่จําเป็นต้องทํามันก็ทําให้เราเส ร, เสร็จงานได้เร็วกว่าบางคนนี้มาสร้างทําสร้างทานบา ร, รมีเป็นสิบประสงค์ไขอะไรเงี้ยมันเกินไปไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นทําแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็พอมีเงินเท่าไหร่ก็บริจาคมาให้หมดแล้วก็ไปบวชก็เสร็จละได้ทําทานละ การถามสุดท้ายครับ อ, อถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่คนที่เขาคิดไม่ดีกับเราปรารถนาไม่ดีกับเราแต่เขาจะสามารถโมทนาบุญกับเราได้ที่เราทํานะครับเป็นไม่ได้ไหมครับถ้าเขาปรารถนาไม่ดีกับเราก็เป็นไปไม่ได้เพราะการ อ, อนุโมทนาบุญก็หมาเถ็งความยินดีความปรารถนาดีถ้าเขาปรารถนาลายแล้วเขาก็จะไม่มีความปรารถนาดีกับเราก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาครับขอบคุณครับ โอเคนะ uh huh. คำถามจากทางบ้านค่ะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ให้รู้ถูกในอริยสัจสี่แต่ทำไมถึงมีสังขารปรุงถึงทาไมถึงมีสังขารปรงแต่งให้ทุกค่ะคือที่เราทุกเพราะเราอยากอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถเอาได้อยากไม่แก่นี่เอาไม่ได้ก็เลยทำให้เราทุ ก, กัน uh huh. อยากสวยแล้วไม่สวยก็ทำให้เราทุกข์ได้งั้นเราอย่าไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไม่ตายถ้าเรายอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายค่ะคำถามจากทางบ้านค่ะ ผมพาครอบครัวของเด็กอนุบาลไปทํากิจกรรมค่ายเด็กวัดป่าที่วัดหลวงพ่อแห่งหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เห็นเด็กที่ให้เด็กๆนั่งสมาธิหลับตาบริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่บนศาลามีเด็กคนหนึ่งได้มาบอกว่านั่งสมาธิพุโทโธพุธโทโธแล้วอยู่ๆตัวก็เบาไปหมดเหมือนตัวลอยได้เลยทําไมตัวเบาเหมือนตัวจะลอยได้จริงๆคะเพราะเวลาจิตใจสงบเนี่ยจิตใจมันจะไม่มีอะไรมากดดัน จิตใจจะว่างจะเบามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าร่างกายกำลังจะลอยขึ้นมาก็ได้แต่ก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นความจริงร่างกายมันก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมคำถามจากทางบ้านค่ะเมื่อคนเราตายไปเหลือแต่ดวงจิตไม่มีร่างไปอยู่บนสวรรค์แล้วจะจาเหตุการณ์ต่างๆได้ไหมคะหรือไปพบญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจะจากันได้ไหมคะมันก็เหมือนกับตอนที่เราฝันนอนหลับฝันไป เราก็อาจะฝันว่าเราไปเที่ยวกับญาติคนนั้นเที่ยวกับญาติคนนี้ได้คำถามจากทางบ้านค่ะผมกำลังฝึกหัดนั่งสมาธิแต่จิตไม่สงบยังฟุ้งซ่านอยู่บ่อยสงบได้ทีละน้อยแบบนี้ต้องแก้ไขยังไงครับต้องฝึกสติให้มากสติไม่มีกาลังสาที่จะทาให้ใจนิ่งสงบได้ต้องขยันฝึกสติพุทโธพุทโธไปทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยทําได้ทุกนรอยาบทเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะทำไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทโธพุทโธไปหยุดความคิดต่างๆไว้ถ้าเรามีพุทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลานั่งสมาธิเราก็ใช้พุทโธนี้หยุดความคิดพอหยุดความคิดได้จิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา ถามจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติค่ะผมใช้การฟังบทสวดมนต์ภาวนาไปพร้อมกับการออกกำลังกายเดินเร็ว <c oughs> กำหนดสติอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายทำถูกไหมคะเขาเป็นวิธีเจริญสติวิธีนึงใช้ได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะในขณะที่ทำงานในหน้าที่สอนก็ตั้งใจฝึกสติไปพร้อมด้วยแต่บางทีมีสิ่งมากระทบอารมณ์ในขณะสอนจะทําอย่างไรที่จะออกจากอารมณ์นั้นให้เร็วที่สุดคะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเนึ่งใจกลับมาพอรู้ว่าใจแล้วมีอารมณ์แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็จะอยู่ไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราต้องทำงานกับผู้บังคับบัญชาที่มีนิสัยคดโกงบังคับให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องร่วมรับบากับเขาไหมคะเราก็ต้องเลิกแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามคำสั่งเขาก็จะไล่เราออกองั้นถ้าเราอยากจะทำงานต่อไม่ถูกไล่ออกเราก็จะต้องทำตามคำสั่งทาถ้าเราไม่ต้องการทาตามคาสั่งเราก็ต้องยินดีที่จะลาออกหรือจะออกจากงานไป จะอยู่ทำเอาทั้งสองอย่างไม่ได้อยู่กับเขาแล้วไม่ทำตามคงสา่งของเขาเนี่มันเขาก็จะไม่ให้เราอยู่กับเขาคำถามจากทาง o youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิตกับความนึกคิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับความนึกคิดก็ออกมาจากจิตแต่ตัวจิตนี้มีนอกจากนึกคิดแล้วยังมีตัวรู้ด้วยมีความรู้ว่ากำลังคิดอะไรอันนี้คือจิตจิตเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้คิด คำถามจากคุณสิงโตค่ะกระผมต้องการนั่งสมาธิเพื่อเอากำลังของสมาธิหากมีสภาวะทำเกิดขึ้นปรากฏให้ทิ้งไปไม่ต้องพิจารณาตามให้อยู่กับความสงบไปเรื่อยๆแบบนี้กระผมปฏิบัติถูกไหมครับถ้าปล่อยได้ก็ก็ก็ดีถ้าปล่อยไม่ได้ก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปใจก็จะได้ไม่ทุกข์กับเขา